ขอประกาศให้คณะทาญาตยมทุกหมู่เหล่าได้รับรู้รับทราบเมื่อวานก็ได้มีการไปชุมเกี่ยวกับการถวายการพระราชทานเพลิงสรีระขององค์หลวงตาพร้อมทั้งหมู่ทุทกหมู่เหล่าทั้งสำนักสำนักพระราชวังด้วยคณะสงฆ์ด้วยส่วนหัวหน้าส่วนราชการมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรของเรา เป็นประธานพร้อมกับคณะสงฆ์เมื่อวานนี้เป็นการประชุมใหญ่หารือกันว่างานของเราจะเดินไปยังไง จ, จะเรียบร้อยอย่างไรแต่ก็มาตกลงที่ว่าพี่น้องประชาชนเข้ามามาเป็นส่วนมากแล้วเราพวกเราจะต้อนรับขับสู้พี่น้องประชาชนอย่างไรพอมาถึงจุดนี้ก็คณะทั้งหมด เหมือนกับพ า, ายเรือพายเรืออยู่ในโอค์อย่างงั้นอ่ะเออหมุนไปหมุนมาหมุนมาหมุนไปคือหาทางออกอยากมากแต่ถึงอย่างไงก็พยายามจะให้ทําอย่างเต็มที่ในงานองค์ของหลวงตาของพวกเราจะให้ขาดตกบกพ่องน้อยที่สุดในคณะกรรมการที่ประชุมหารือกันเมื่อวานนี้ใช้เวลาประชุมกันถึง8ดชั่วโมงฟังดิ คณะสัทธาญาติโยมทุกท่านไม่ใช่อยู่เฉยๆนะให้ถ้าว่าหารือกันประชุมกันจะทำยังไงพอดูนาฬิกามานับเวลาดูแล้วออกจากห้องประชุม8ดชั่วโมงเมื่อวานประชุมตั้งแต่9นาฬิกาจนถึงบ่าย3สีหโมงเย็นนี่แหละพวกเราเพื่อว่าอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อเองเหลวงพ่อพยายามทำดีที่สุด เพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตา เ, เพื่อบูชาพระคุณหลวงตาเพราะฉะนั้นขอให้คณะสัตายาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าที่รักเคารพในองค์หลวงตาอย่างน้อยกอ็ให้อยู่ในความสงบนิ่งแล้วก็อย่างมากกว่านั้นก็ให้ช่วยกันช่วยกันช่วยสิ่งนี้ที่จะเกิดประโยชน์สิ่งนี้ที่ไม่เกิดประโยชน์ถึ่งนี้มันจะแตกสมรูคีกันอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำในจุดนั้นเพราะช่วงนี้ เราต้องการความพร้อมเพียงสมคัครีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากที่สุดในสิ่งไหนที่มันจะมีเรื่องราวอะไรไม่ได้ยังค่อยพูดกันทีหลังแต่ทั้งนี้ทางนั้นหลวงพ่อเตือนนะไม่ใช่ว่าพวกเราแตกเราสมคัครีกันไม่ใช่เตือนเอาไว้เพราะตั้งหลายแสนหลายล้านหัวใจจะไม่ให้จะให้คิดไปแนวแถวเดียวกันหลวงพ่อก็คงจะว่ายากแต่ถึงยังไงก็ให้สงบไว้ก่อนหลวงพ่อว่าขอร้องสงบไว้ก่อน ในช่วงนี้ขอให้มีความพร้อมเพียงสมัคคีกันและก็ผู้ที่อยู่ไกลอยู่ใกล้ผู้ที่ได้รับพระธรรมเทศนาของหลวงตาหลวงพ่อหอชักชวนอบอกกล่าวให้มาร่วมกันทําบุญกับองค์หลวงตาเนออันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อขอร้องนะไม่ใช่บังคับขูเข็นไม่ใช่ขอร้อง อ, อันนี้เป็นแต่เพียงบอกกล่าวถ้าพวกเราไม่ทำหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรนะ เหมือนกับหลวงพ่อว่าพวกเราทั้งหลายหิวอาหารเอออาหารอยู่ในนั้นนะทานซะนะถ้าพวกเราไม่ทานหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรแต่หลวงพ่อบกเปิดเ ท, ทาวาอาหารอยู่ในนั้นออพวกเราจะทานกันไปทานได้เนออันนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อบอกว่าคณะสิทธิยาุสิทธิ์ที่รัรบเคารพในองค์หลวงตามาทําบุญกับองค์หลวงตาเนอครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของหลวงตาแล้วหลวงตาจะไม่มาเกิดอีกแล้วศีระของร่างกะลง หลวงตากับวันที่หนี่พวกเราก็ใ จ, จะได้พระราชทานเพลิงแล้วพวกเราผู้ที่จะมาร่วมทําบุญหลวงพ่อบอกประกาศในใจของหลวงพ่อนะไม่เอาใจของคนอื่นนะหลวงพ่อประกาศในใจของหลวงพ่อว่าผู้ใดก็าตามมาทําบุญกับองค์หลวงตาไม่ผิดหวังคําว่าไม่ผิดหวังคํานี้คืออะไรคือหลวงตาเป็นผู้เป็นพระที่มโหส์ผุดพองและจะหาที่ไหนได้ประวัติของหลวงตาตั้งแต่เป็นพระ น้อยพระหนุ่มจนถึงเท่าแก่ชราถึงเก้าสิบแปดปีท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นพวกเรามาหวานันเมล็ดข้าวลงในเนื้อนาที่ดีผลจะต้องงอกเงยแน่นอนหลวงพว่ อ, อคิดอย่างนั้น อ, อไม่เป็นอย่างอื่นให้พวกเราศึกษาดูก็แล้วกันถ้าหลวงพ่อได้พูดอย่างนี้แล้วให้พวกเราให้ไปอ่านให้ไปศึกษา ในปฏิปทาหรือว่าทำคําสอนขององค์หลวงตานะจะซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆนะแม เ, เหมือนกับอ่านหนังสือน่ยข่าวนี้ขีดเส้นไว้เส้นหนึ่งพอต่อมาอีกขีดอีกเส้นหนึ่งพอต่อมาอีกขีดอีกเส้นหนึ่งคือพวกเราจะเข้าใจในทำคําสอนของหลวงตาทุกบรรทัดเพราะท่านเอ า, เอาออกมาจากจิตใจขององค์หลวงตานะพวกเราถ้าอ่านดูหรือถ้าฟังจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะ เพราะทำลงตายออกมาจากจิตใจของท่านใจของท่านใจของท่านองลงตาจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้เครื่อนแฝงกับอะไรบางคนก็พูดว่าลงตาอยากจะได้นั้นลงตาอยากจะเป็นอันนี้สมัยเมื่อลงตายังมีชีวิตอยู่ลงตาจะได้อะไรลงตายมีแต่มอบให้แก่พวกเราทองคําเข้าคลังหลวงเท่าไหร่ช่วยโรงร่ำลงเรียนเท่าไหร่โรงพยาบาลเท่าไหร่เครื่องมือแพทย์เท่าไหร่โรงพยาบาลทั้งหลายทั้งปวง นี่แหละขอประกาศให้ผู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากองคหลวงตาข่าวนี้ลงตาจะได้จากพวกเราไปแล้วพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกตวเวทิตาต่อองหลวงตาเถอะบอย่างนั้นได้น ะ, ะพ่อแม่ของเราเนี่ยเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนคือให้ร่างกายของเราตั้งแต่หัวจุดเท้าเราได้มาจากพ่อแม่แต่องคหลวงตาให้ธรรมะนะ ให้แสงสว่างทางด้านจิตใจของพวกเราเท่า น, นขอให้พวกเราทุกท่านนะลูกหลานทุกคนสัทายาทโยมทุกหมู่เหล่าขอให้แสดงความกตัญญูกตเวทีตาเราจะบูชาพระคุณองค์หลวงตาได้อย่างไรถ้าไม่ได้มาก็ขอให้กราบให้ไหว้ให้นั่งภาวนาอยู่ในบ้านนะพุทโธพุทโธล้ำลึกถึงหลวงตาแล้วนั่นหละเป็นการบูชาพระหลวงตาเป็นอย่างยิ่งถ้าพวกเราไม่ทาไม่ได้นะ เหมือนกับเราเห็นสมบัติของคนอื่นนะพวกเขารวยแล้วล่ะเราไม่ทำหรอกออบ้านตาดไม่เป็นไรหรอกอาหารการบริพุกทุกสิ่งทุกอย่างท่านรวยแล้วล่ะ เ, เราไม่ทำเราไม่เราไม่ทำหรอกเหมือนกับคนอื่นรวย เ, เป็นคนมีเงินแต่ตัวเองไม่ค้าขายตัวเองก็จนตลอดไปถ้าว่าตัวเองทำตัวเองก็จะได้สมบัตินั้นๆเพราะฉะนั้นพวกคูกหลานคณะัต ย, ยายาโจมนะถึงยังไงควรจะทำ กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของพวกเราเนี่ยควรจะน้อมไปในทางกุศลอย่าไปคิดเป็นในทางอกุศลกับองค์หลวงตานะถ้าว่าพวกเราน้อมไปทางกุศลแล้วพวกเรามีแต่ความสุขความสบายใจแนละความเย็นใจนะคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ใจของเราก็เย็นสบายนะเราได้ทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วในขณะที่องค์หลวงตายังมีชีวิตอยู่แล้วก็เราก็ได้ทํา ในศีรษะสรีระขององค์หลวงตาก็ดีที่สุดอีกนะผลที่สุดให้ดีตลอดไปแล้วก็นำทำคําสอนขององค์หลวงตานํามาประพฤติปฏิบัติกระทั่งชีวิตของเราจะหาไม่พวกเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปกระทัง่งหัวใจเฮือกสุดท้ายนั่นแหละพวกเราก็จะมีแต่ความสุขนะตอนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร